15. สาเหตุที่เห็นกิเลสแต่กิเลสไม่ดับเมื่อความโกรธเกิดขึ้นถ้าสติระลึกรู้ได้ถูกต้องความโกรธจะดับทันทีบางคนเห็นความโกรธอยู่ทนโทษแต่ความโกรธไม่ดับสงสัยว่าเอเห็นก็เห็นนะทำไมมันไม่ดับที่ไม่ดับเพราะสติไม่เกิดจริงหรอกขณะนั้นจิตเกิดโทสะอีกชนิดหนึ่งเกิดโทสะตัวใหม่เช่นเราเห็นเขาขับรถปาดหน้าเรา โทสะตัวแรกเมื่อเราไปเห็นเข้าปาดหน้าเราไม่พอใจเราโกรธนี่โกรธตัวที่หนึ่งโทสะตัวที่สองนี่พอเราเอาสติไปเห็นโทสะตัวแรกเข้าเราเกลียดมันเกลียดมันนี่โทสะตัวที่สองเราอยากให้หายอยากให้โทสะนี่ดับมันดับไม่ได้นะเพราะขณะนั้นจิตกําลังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่มีสติจริงแต่ถ้าเมื่อไรมีสติตัวจริงกิเลสจะดับทันที